วันหลังจากที่ทอดพระบาทเสร็จแล้วก็ได้สนทนากับเพื่อ น, อนบางคนที่สาลาเนี่ย ม, มีบางคนคนหนึ่งก็เป่ารกขึ้นมาเรื่องของน้องชายของเขาซึ่งเป็นรองผู้ว่า รถไฟฟ้านหลอฟอมอร์รถไฟฟ้ามานครก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะตอนที่จะมีการขยายเส้นทางาก็เสนอว่าควรจะมีการประมูลนะซึ่งมันก็เป็นข้อเสนอที่ท่านจะว่าไปแล้วก็มาตรฐานหรือธรรมดา ว่าไม่ไม่ควรที่จะมอบหมายให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งนะมารับเหมาคือตอนนั้นก็มีบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะซึ่งไปสร้างเส้นทางสายหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็มีความพยายามจะให้บริษัทนี้เข้าไปไปสร้างอีกเส้นทางหนึ่ง รองผู้ว่านี่เขาก็เสนอให้ประมูลนะไม่ใช่ไปไปยกให้บริษัทนั้นนี่มาทำเพียงเพราะว่าเคยทำมาก่อนแม้ว่าอาจจะทำดีทำสำเร็จมาแล้วก็ตามก็ต้องประมูลเพราะการประมูลนี่มันมันให้ให้ผลดีกว่ารายได้เขารัฐมากกว่าอย่างที่เนี่ยกสทชก็ประมูลขึ้นสี่จีนี่โอมได้เงิน มากกว่าที่คาดหมายไป 1, 2, 3, ถึงสองสาเท่ามีรายได้เข้ารักเอาไปทำอะไรมากมายพบะกว่าเจ้าของบริษัทบริษัทนั้นเนี่ยก็วิ่งเต้นกับทางรัฐบาลหรือพูดงานคือกับทางทหารนั่นนะสุดท้ายก็รองผู้ว่าก็ถูกย้ายไป ถูกย้ายไปเพื่อเปิดทางให้บริษัทก่อสร้างใหญ่บริษัทนั้นได้มาต่มาสร้างต่อนะขยายเส้นทางต่ออันนี้ก็ที่มีเรื่องใหญ่นะมันเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศแต่ว่าเงียบมากงบประมาณที่ต้องใช้ในการก่อสร้างค ง, งหลายพันล้านนะ รองผู้ว่าก็เลยเสียใจก็เลยไปบวชเสลยตอนนี้ยังบวชอยู่เพื่อนซึ่งเป็นพุทพี่ชายก็พูดมาเหมือนพุทมองว่าทำไมทำดไไีไม่ได้ดีทำดีคือซื่อสัตว์นแต่ทำไมถึงถูกกลั่นแกล้งก็อธิบายก็ฟังว่าเนี่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วง อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วส่วนปลูกแล้วจะรวยหรือไม่เนี่ยมันขึ้นขึ้นอยู่กับราคาตลาดในราคาตลาดนี่มันขึ้นอยู่กักลไกตลาดไอ้กลไกตลาดนี่มันเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของของโลกนะ เ, เรื่องสมมุติก็ได้มันไม่เกี่ยวกัฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมนี่เป็นกฎธรรมชาติปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงปลูกยางก็ได้ยาง ปลูกยางนี้บางช่วงบางสมัยก็รวยออกรถได้แต่ว่าตอนนี้มันปลูกแล้วจนเพราะราคามันตกให้เรื่องราคายางขึ้นหรือลงหรือราคามะม่วงนี่มันก็เป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของโลกมนะันพูดง่ายๆเป็นเรื่องที่มนุษย์เราทํากันขึ้นมาเองมันไม่เกี่ยวกฎธรรมชาติหรือกฏแห่งกรรมนะกฏแห่งกรรมไม่ใชกฏธรรมชาติก็คือว่าทําดีแล้วจิตใจก็สบาย ไม่ต้องมาเอามือกายหน้าผากนอนไม่หลับเพราะกลัวว่าความชั่วของตัวเองนีจะเป็นที่ปรากฏหรือว่าคนจะรับรู้ไอ้นคนที่โกงคนที่คอรับชันเนี่ยอาจจะประสบความสำเร็จนะแต่ว่าก็อยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ด้วยความโพหวากลัวคนจะรู้กลัวกฎหมายจะตามมาล่าตามล่าเมื่อตัวเองหมดอํานาจ อันนี้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนี่ก็จะพูดถึงว่าทําดีแล้วได้ดีได้ดีนี่หมายถึงว่าความสุขในจิตใจหรือว่าเกิดบุญเป็นเกิดบุญก็ส่วน ข, นขึ้นในจิตใจส่วนคนจะยกย่องสารเส ร, ริหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะไอ้ความยกย่องหรือสารเสริญหรือการติดสินธาเป็นเรื่องของโลกนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของของกฎธรรมชาติบางย่บางสมัยทําชั่วแล้วคนสารเสญก็มีเหมือ น, นในเมืองไทยเนี่ยนะ คนที่ไม่ขยันนะแต่ว่าใช้วิธีซิกแซกรัดคิวหรือว่าไปกงเข้ามาบางทีมาพูดให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ยังชมเลยว่านี่ฉลาดแต่ถ้าเป็นในเมืองนอกที่ทาแบบนี้ก็ก็ถูกก็ถูกตำหนินะถูกรังเป็นที่รังเกียจใช้วิธีใช้อุบายในการรัดคิวคนเนี่ย หรือว่าใช้อุบายในการที่หลอกเงินคนมาได้นี่สังคมบางสังคมนี่เขาไม่สารเสริญ น, นะอันนี้เป็นเรื่องของโลกนะแต่ว่าไม่ว่าจะถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทําไม่ว่าจะมีคนสารเสริญหรือไม่เนี่ยแต่ว่าความรู้สึกอย่างแรกที่เกิดขึ้นเวลาทําดีคือว่ามันสบายแล้วก็สิทธิตามมาคือจิตใจที่เป็นบุญไปกุศล เราลองที่อธิบายไปอย่างนี้นะเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ซึ่งเป็นนักธุรกิจก็บอกว่ามันอยู่ที่การทำใจนะมันอยู่ที่การทาใจเนี่ยอย่างตัวเขานี่เคยเป็นทำธุรกิจหลายพันล้านเคยมีหน้าที่เข้าทำโรงงานกลิก ป, ปูนเซเมนของบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งเขาเคย สามารถจะเซ็นเช็คสั่งจ่ายเงินเป็นพันล้านหรือหมื่นล้านก็ได้แล้วันดีคืนดีเจ้าของก็เกิดไม่พอใจขึ้นมาก็สั่งให้เขาเนี่ยไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเลยเงินแม้แต่บาทเดียวคนที่เคยมีอำนาจเซ็นเช็คสั่งจ่ายเงินพันล้านหมื่นล้านได้แต่ตอนนี้แม้แต่บาทเดีย ว, ยย 1, 10, นนยวก็จ่ายไม่ได้ ก็ไม่ได้เสียใจเลยเลยนะก็ถือว่าเออถือว่าเขามาฝึกให้เรามีขันตินะแล้วก็ก็ดีเหมือนกันนะเราก็มีงานอื่นนะเราก็มีอีกบริษัทหนึ่งที่กำลังก่อร่างสร้างตัวก็เอาเวลาเอาเวลานั้นไปไปทำงานบริษัทงตัวก็แล้วกันนะก็กลับมาดูแลบริษัทใหญ่หรือบริษัทแม่แต่ว่าบริษัทเล็กก็ ทำตัวเองไปเขาบอกนี้เขาดินมาเยอะแม้กระทั่งเนี่ยหนังสือพิมพ์ที่เคยอ่านทุกวันทุกวันเนี่ยแค่ฉบับละห้าบาทเดินก็สามร้อยวันดีคืนดีก็บอกว่างดลักแล้วเจ้าของนี่บอกงดลักแล้วเนี่ยเพียงเพื่อจะกันแกล้งเขาไม่ให้อ่านหนังสือพิมพ์นแค่เดือนละสามร้อยหสิบบาทเนี่ยแค่เดือนละ ร้อยห้าสิบาทนี่แหละรวยขนาดเป็นหมื่นล้านนี่อย่างหาทางแกล้งขนาดนี้ไปบอกลูกน้องว่าตอนหลังก็ไล่เขาออกแล้วก็บอกลูกน้องว่าใครมาคบค้าสมาคมกับเขาก็ใถือเป็นภัยต่อบริษัทหรือเป็นคิดไล่ต่อบริษัททั้งที่เจ้าของกับกับตัวเขานี่ก็เรียกว่ามือนก็เป็นญาติพี่น้องกันนะพ่อพ่อของ ทั้งสองฝ่ายก็สนิทกันมากแล้วก็รู้จักกันมั้งแต่เล็กเมียของเมียของเจ้าของนี่ก็แม่ของเขาก็เป็นคนหามาให้แนะนำให้แต่เวลาเงะเวลาเมเวลาแม่เขาตายเวลาแม่เขาตายนี่ลูกน้องเนี่ยไม่มีใครมาสักคนเลยลูกน้องบริษัทเขาที่เขาก่อร่างสร้างมากับมือเนี่ย น, นะ ไม่มีใครกล้ามาเพราะกลัวเจ้าของเจ้าของจา้าวไว้ันก็ไม่ใช่เจ้าของเป็นหุ้นใหญ่นะแต่ว่าเป็นเหมือนกับเจ้าของกลัวว่ามางานศพแล้วเดี๋ยวมางานศพแม่เขาเดี๋ยวจะเดือดร้อนทั้งที่แม่เขาก็คุ้นเคยสนิทสนมกับตัวเจ้าของอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นคนหาแนะนำให้รู้จักเมีย รู้จักว่าที่เมียนวะันนี้ก็เจออย่างนี้มาก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรวนะ่าโอ้ยเรื่องที่เรื่องที่รองผู้ว่าโดนนี่ยังเล็กน้อยนะว่ารถไฟฟ้ามานาครเขาก็ไม่ได้สร้างแต่อ้วเนี่ยนะไอ้บริษัทบริษัทนั้นเนี่ยอ้วสร้างมากับมือเลยตั้งแต่ศูนยะ์ลุงน้องทุกคนที่รู้จักหมดตอนถูก ก็ถามว่าตอนถูกไล่ออกไม่ไมไมเสียใจคนที่ไล่นี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นเเปเป็็นนลูกพี่ลูกน้องบอกไม่เสียใจหรอกเพราะว่าตอนที่เขาเป็นผู้บริหารใหญ่ของโรงงานนั้นเนี่ยเขาก็ไล่คนมาแล้วเป็นพันคนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จําเป็นต้องไล่ต้องไล่คนออกแล้วก็เสียใจนะว่า ตอนที่ไล่คนออกนี่ก็ไล่ระดับล่างสุดก่อนระดับล่างสุดก็คือพวกซับคอนแท็กต์ต่อไปก็พวกที่ไม่ได้มีสัญญาไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นพนักงานกิงเงินเดือนนะให้พวกนี้นี่เป็นพวกที่ระดับล่างสุดเนี่ยก็บอกไล่แต่คนที่ไล่ออกที่หลังสุดคือคนที่กินเงินเดือนนะซึ่งพวกนีก้เงินเดือนเยอะไล่ คนระดับล่างสุดเนี่ยพวกซับคอนแทรกนี่สิบคนยังไม่เท่ากับไล่พนัก ง, งานกินเงินเดือนหนึ่งคนเลยนะแต่ก็ต้องไล่นะไล่จากระดับล่างสุดก่อนบางคนก็ต้องเสียใจนะแต่ว่าตอนพอตัวเองถูกไล่ก็เลยรู้สึกโล่งอกนะ <c oughs> ถือว่าใช้กรรมแล้วถือว่าใช้กรรมแล้ว คือมันอยู่ที่ใจด้วยนะทาดีได้ดีทําทําดีได้ดีเนี่ยมันไม่แปลว่าส่วนหนึ่งมันอยู่ที่การวางใจด้วยนอกจากการทําความดีในะความหมายที่ว่าไม่ปปปไปเบียดเบียนใครแล้วเนี่ยมันก็รวมถึงว่าวางใจให้ดีด้วยนะบางคนทําดีก็คือซื่อสัตย์สุจริตแต่วางใจไม่เป็นนะพอถูกไล่ออกหรือถูกอ ย้ายงานเนี่ยก็เสียใจเพราะวางใจไม่เป็นวางใจไม่ดีอย่างเพื่อนคนที่เป็นเจ้าเป็นผู้บริหารโรงงานปูนขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็เขาก็ซื่อ ส, สัตย์สุจริตทํางานขยันแข็งแต่พอถูกไล่ออกก็มอถูกกานแกล้งจนกระทั่งไล่ออกก็เออวางใจเป็นถือว่าเออมาฝึกขันติธรรมถือว่ามาเปิดโอกาสให้เราได้ไปไปทํางานที่เราชอบ ไปทำงานที่มีความหมายถึงเวลาไล่ถูกไล่ออกก็ใช้กรรมแล้วคนบางคนถูกไล่ออกแล้วก็เสียใจนะทำไมถึงต้องเป็นชั้นนะแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ที่เขาทำอะไรกับเราเท่านั้นแต่มีที่ว่าเรามองหรือเรารู้สึกอย่างไรด้วย แล้วก็พูดถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมต่อไปว่าเนี่ยมันความแบบนี้มันต้องดูกันตลอดดูให้ ย, วยาวๆนะกฎแห่งกรรมเนี่ยว่าทำดีได้ดีเนี่ยเหมือนกับฟุตบอล น, นะฟุตบอลจะดูครึ่งแรกไม่ได้นะครึ่งแรกเนี่ยบางทีทีมทีมรองบอลทีมบ้วยนี่ก็สามารถจะยิงประตูทีมเก่งได้นะหนึ่งศูนย์สองูนย์มันก็ไม่แปลว่า จบเท่านั้นนะว่าต้องดูต่อไปจถึง90้าสิบนาทีนะไม่ได้แปลว่าทีมที่ถูกยิงในครึ่งแรกนี่จะพ่ายแพ้มันต้องไปดูครึ่งครึ่งหลังด้วยบางทีดู9ก้าสิบนาทีไม่ได้นะัต้องดูต่อเวลานะยกตัวอย่างเขาดูสมัยย0ปีที่แล้วเนี่ยบอลยุโรปเนี่ยบาเยอร์มิเนคแข่งกับแมนยูนะแมนยูนี่ถูกบาเยอร์ยิง 01นะแมนยูพยายามบุกเท่าไหร่ก็ยิงประตูไม่ได้จนทั้ง90นาทีคนบางคนก็คนบางคนก็นนกเลิกดูแล้วกลับบ้านนิวอะปรากฏว่าต่อเวลาอีกสองสามนาทีนี่แมนยูนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปได้แก้มือเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วต่อไปก็ยิงได้อีกสองหนึ่ง กลายเป็นว่าแมนยูเป็นแชมป์บายเยิร์นี่ก็เรียกว่าถ้วยนีหลุดมือไปเลยนะยังจำได้สมัยสมัยสิบปีที่แล้วนี่สมัยที่หลวงพ่อสเชียนยังอยู่นยก็มีแข่งบอลยุโรปนะเอซี AC มิลานกับลิเวอร์พูลหลวงพ่อท่านไปดูบอล น, นะไปดูบอลที่สำนักงานป่าไม้ หนึ่งีสองเนี่ยประมาณตีสี่ท่านก็กลับได้เวลาทำแล้วท่านก็กลับมาบอกดูไม่จบนะแต่ว่าแพ้แล้วลิเวอร์พูลครึ่งแรกถูกยิงไปสามศูนยะ์ท่านดูไม่จบนะบอกกลับมาเตรียมทําวัดนะบอกว่าผลแข่งบอกว่าเอสมิลันแพ้ พอครึ่งหลังนี่เรือพวก็ยิงไปส า, สามสามสามประตูเปนกั น, น, นกลายเป็นสามสามแล้วก็พอแต่จุดโทษว่าเรือพวก็ู้ยิงได้มากกว่าฟุตบอลเนี่ยมันก็มันก็บอกอะไรเกี่ยวกับชีวิตได้นะว่าคนเรานี่มันจะจะตัดสินอะไรจะสรุปอะไรเนี่ยมันจะพึ่งรีบสรุปนะมันต้องดูจน แข่งจบซะก่อนจนกทั้งกรรมการเป่านกหวีนนะไม่ใช่ว่าเก้าสิบนาทีแล้วโอ้ยแพ้แล้วทรประตูไม่ได้หนึ่งศูนย์หนึ่งรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวรถติดนะจะว่าไปนะจะว่าแต่แข่งฟุตบอลแบบประเภทว่าเก้าสิบนาทีหรือว่าต่อเวลานอกเลยยิงลูกโทษเนี่ยเพื่อนเนี่ยส่ง เคยมีคนส่งคลิปมาให้ดูนะแต่ลูกโทษเนี่ยเขาจะคงเป็นลูกโทษคงเป็นนัดสำคัญ น, นะชิงชนะเลิศแล้วก็เสมอเสมอกันศูนย์ศูนย์สักอย่างก็ต้องแข่งกันแตกลูกโทษ ก, กันคนละห้าเมตรแล้วก็เขาจว่าไอ้ลูกสุดท้ายนี่เป็นนัดตัดสินนะก็คือถ้ายิงไม่เข้าเนี่ยก็แพ้ถ้ายิงเข้าก็ชนะได้แชมป์ บอกว่าเตะไม่เตะนี่ไปชนไปชนคานนะเตะไปชนคารนี่ยประตูนี่ก็ดีใจมากเลยวิ่งออกมาวิ่งออกมาแสดงความดีใจนะทักทายกับกับแฟนบอลชนะแล้วชนะแล้วส่วนคนยิงเนี่ยก็หมดแรงเลยนะล้มเริ่มหมดแรงนอนอยู่กับพื้นเลยแพ้แนละ้ว แพ้เพราฝีมือตัวเองนะเตะไม่เข้าแต่ปรากฏว่าไอ้ลูกที่มันกระดอนเนี่ยชนชนขาแล้วก็ดอนเนี่ยมันไม่ได้กระดอนออกไปข้างนอกนะมันตกลงมาที่สนามนะแล้วมันก็เด้งเข้าประตูไปโอ้ประตูนี่พอหันหลังกลับมาโอ้ตายแล้วจากชนะกลายเป็นแพ้ไปเลยไอ้ส่วนคนที่หมดแรงหมดแรงไนงะ หอยลูกค่อยๆกระเด้งเข้าประตูเนี่มันดีใจวิ่งเลยนะโคมันสอนใจได้เยอะเลยนะว่าบอล น, นี่ยถ้ายังไม่ตายเนี่ยหรือยังไม่นิ่งเนี่ยมันยังยังไม่แน่นะขนาดเตะบอลชนคานประตูนี่มันยังเข้าเลยนะแต่มันจะไม่เข้าถ้าโกเนี่ยไม่ดีใจโกเนี่ย ติดตามผลนะดูจกนกระทั่งบอลเนี่ยมันตายแล้วมันนิ่งแล้วเนี่ยแต่นี่เรียกว่าจะเรียกว่าใจเร็วนใจเร็วด่วนได้ก็ไนดะ้ด่วนสรุปนะบอลชนคาแล้วนะชนะแล้วนะอันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าว่าอยู่อยู่ที่ประจำประตูนี่ก็กบอลนั้นก็มีทางเข้าได้ เพืเ่อนก็บ อ, นนอบอกว่าชี่อมันก็ก็เสริมก่เหมือนกับชี่อมันนี่พ่อเคยบอกชีวินี่มันเหมือนการวิ่งมาราทอนนะวิ่งมาราทอนระยะทาง50กิโลเมตรเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปดูช่วง10กิโลเมตร20กิโลเมตร30กิโลเมตรหรือ40กิโลเมตรนะมันยังตัดสินอะไรไม่ได้บางทีมันก็ไปตัดสินกันตอน10เมตรสุดท้ายเนี่ยนะ ในเวลาใครทาชั่วแล้วก็รวยเนี่ยนะหรือว่าคนทําดีแล้วจนหรือคนทําดีแล้วก็มีความทุกข์นะมันยังบอกไม่ได้นะว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีทําชั่วได้ดีเป็นเพราะเราดูแค่บอลครึ่งแรกหรือเราดูมาราธอนวิ่งมาราธอนเป็นแค่ยี่สิบกิโลเมตรแล้วมันต้องดูให้จบ มีเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงนะลูกคนสุดท้องนะแม่เป็นอัลไซเมอร์อุตส่าห์ลา ง, งานมาดูแลแม่เงินเก็บก็ก็พอมีนะแต่หลังจากที่แม่ป่วยมาสิบปีดูแลสิบปีเงินเก็บก็ร่นะยรอจนเกือบจะหมดอยู่แล้วลูกๆที่เคยส่งเงินมาให้แม่พอตอนหลังก็ให้บางไม่ให้บาง ให้ในเรื่องที่เกี่ยวกับแม่โดยตรงแต่แทบเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับแม่โดยตรงก็ไม่ให้เช่นเรื่องค่าซ่อมบ้านค่าซ่อมบ้านหรือว่าค่าค่าน้ําค่าไฟคือนอกจากจะไม่ไปไม่ดูแลแม่แล้วเงินก็ยังไม่ค่อยให้ด้วยส่วนกุศลท้อนี่ก็ดูแลเงินก็ลอยหอต้องออกเงินเองต้องคอยดูแลแม่ยีิบสี่ชั่วโมง ต้องอุ้มแม่ต้องบางทีต้องขยันขยอนแม่ให้กินข้าวให้เคี้ยวข้าวสารพัดบางทีแม่ก็ฉีราดอะไรในบนเตียงทำมาสิบปีพี่พี่แม่อีนาง ข, งขงังคอก็เสียใจว่าทำไมเราทำดีถึงก็มาเป็นแบบนี้คนไม่ทำดีนี่ สบายก็บอกเขาอย่างนี้แหละนะว่ามันต้องดูกัน ย, วยาวๆต้องดูกัน ย, วยาวๆถึงแม้ว่าวันนี้จะลำบากนะแต่ว่าในที่สุดก็จะก็จะสบายแล้วก็สุขใจที่ได้ทำสิ่งที่ดีสุดมอบสิ่งดีสุดให้กับแม่ยังไงแม่ก็อยู่กับเราไม่ได้นานอยู่แล้ว ก็อัลไซเมอร์เนี่ยแล้วก็จะแปดสิบแล้วมีเวลาดูแลแม่ก็ดูแลให้เต <inaudible> ็มที่ในวความทุกข์ความลำ บ, บากที่เกิดขึ้นมันก็เป็นของชั่วคราวแล้วนั้นก็จะสบายไม่มีรล้สึกติดทางใจคนที่สบายวันนี้นะพอถึงวันที่แม่ตายก็ก็จะรู้สึกผิด แล้วขณะเดียวกันนะเมื่อตัวเองมีลูกมีหลานนะ mm. ก็เชื่อได้เกิดจะลอยทั้งลอยแล้วว่าเนี่ยถึงเวลาตัวเองแก่เนี่ยลูกก็ไม่ดูแลหลานก็ไม่สนใจมันเมือนก็ว่าใช้กรรมเนะี่ยหรือว่ากรรมตามสนองแตอนนี้ยังสบายอยู่นะกรรมยังตามมาไม่ถึงเนะี่ยแต่พอ ตัวเแก่ตัวลงเนี่ยกรรมเนี่ยมันคงก็ต้องตามมาถึงแล้วถึงนนั้นก็จะลำบากแล้วไม่มีลูกหลานดูแลแตเดียวกันก็รู้สึกผิดว่าเนี่ยเรามีแม่เราก็ไม่ดูแลแม่คิดถึงแม่ก็ไม่มีประโยชน์นี่แหละมันต้องดูกันดูกันให้มันสุดๆุดนะแต่ถ้าเราดูกันเฉพาะหน้าดูกันแค่ช่วงสั้น ก็จะเห็นว่าคนทำชั่วนี่ได้ดีมีถมไปนะคนทำดีนะแต่ว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนตอนนี้ต้องดูไกลๆดูยาวๆนะอันนี้ฝืนต้องมีความศรัทธาด้วยนะมันต้องมีความศรัทธาในกฎแห่งกรรมด้วยแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยว่ากฎแห่งกรรมนี่มัน ไม่ใช่ว่าจะตัดสินกันง่ายๆตัดสินกันว่าได้รับคำชื่นชมสรรเสริญมีความมั่งมีมีโยธาบรรดาศักดิ์หรือไม่อันนั้นก็ยังไม่ใช่คาว่าได้ดีในความหมายของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีเนี่ยได้ดีนี่คนไปเข้าใจว่าหมายถึงร่ำรวยมีชื่อเสียงมีคนยกย่องเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจผิดคาว่าได้ดีเนี่ยในความหมายกแงกรรมคือใจที่มัน สุขใจที่สบายจากใจเดียกันคำว่าได้ดีก็ยังรวมถึงว่า เ, าเป็นที่ได้รับความสุขในในท้ายที่สุดด้วยซึ่งอาจจะรวมถึงความสุขทั้งโลกนะตอนนี้คนไทยเราไปเข้าใจกาแห่งกรรมผิดมากเลย มีเพื่อนเนี่ยเขาเพื่อนคนที่ดูแลแม่เขาไปเล่าเขาก็ไปร ะ, ะบายความทุกข์ให้กับเพื่อนของเขา <c oughs> เพื่อนซึ่งคงเป็นคนเข้าวัดธรรมอธรรมโมก็พูดว่าเนี่ยสงสัยเธอคงไปทํากรรมไม่ดีกับแม่มาก่อนในชาติที่แล้วชาตินี้เธอเลยมาใช้กรรมส่วนพี่ๆอย่างเธอเนี่ยคงทํากรรมดีกับเขามาก่อนในชาติที่แล้วชาตินี้ก็เลยสบายโอ้าการอธิบายนี้มันมันเป็นการอธิบายที่ผิดมากเลยนยะ คนทําดีนะดูแลแม่ด้วยความกตัญอยู่กับบอกว่าใช้กรรมแทนที่บอกเขากําลังทํากรรมดีส่วนพี่เนี่ยซึ่งไม่ดูแลแม่แทนที่จะมองว่าเขากําลังสร้างกรรมไม่ดีนะกลไปมองว่าเขากาลังสวยกรรมดีเข้าใจสับสนไปหมดคนทําเหตุดีนะครับกําลังบอกว่าเขากําลังรับผลแห่งกรรมที่ไม่ดีในชาติที่แล้ว ไอ้คนกําลังทําเหตุที่ไม่ดีนะกลับไปหมอเขากําลังรับผลของความดีที่ที่เคยทําในชาติที่แล้วคือสลับสับส่วนระหว่างผลกับเหตุนะไปมองว่าเขากําลังรับผลแทนที่หมอเขากําลังสร้างเหตุอคนนี้คนที่คิดแบบนี้เนี่ยที่เข้าวัดเข้าว่าเยอะๆเนี่ยมีความคิดแบบนี้เยอะมากนะ ยิงเขาวัดบางทีกับได้มิจฉาทิฏฐิกลับมานะเพราะว่าการสอนที่ผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้ใช้สติปัญญานะมันก็เหมือนกับว่าคนที่ขยยนเล่นหนังสือเด็กที่ขยยนเล่นหนังสือโอ้ยต้องตื่นแต่เช้ามดืดดูหนังสือเตรียม เรียนจบก็กลับมาทําการบ้านขยันอ่านหนังสือต่อโทรทัศน์ก็ไม่ได้ดูเพื่อนชวนไปเล่นก็เล่นไม่ได้เพราะมีการบ้านต้องทําบางทีก็กินก็กินได้ไม่ครบถ้วนร่างกายก็ผอมเรียนหนักส่วนอีกคนนึงไม่ขยันเรียนเอาแต่เที่ยวเล่นดูหนัง เที่ยวห้างเล่นเกมดูโทรทัศน์กไ็ไม่มีใครเคยบอกนะว่าเออไอเด็กคนแรกที่ขยันเนี่ยมันกำลังใช้กรรมนะชาติที่แล้วนี่มันคงทํากรรมไม่ดีว่าชาตินี้มันก็เลยต้องลําบากต้องเหนื่อยยากกับการเรียนหนังสือส่วนคนที่สองนี่ก็มีก็ไม่เค ม, มีใครบอกว่าเ อ, อ้มันชาติที่แล้วมันทํากรรมดีนะชาตินี้มันก็เลยสบายไม่ต้องเรียนมากะ ใครๆก็รู้ว่าไอ้คนแรกนี่ก็กําลังทั้งสร้างกรรมดีขยันแน่นอนวันนี้เหนื่อยวันนี้ลําบากแต่วันหน้าจะสบายไอ้คนที่สองนั่นแหละมันกําลังสร้างกรรมไม่ดีคือมันขี้เกียจนะวันหน้าคงจะต้องเป็นกรรมก ร, รหรือว่าทํางานลําบากใครๆก็ก็พูดอย่างนี้ น, นั้นแหละนะถ้าหาว่ามีสติปัญญา แต่ทําไมคนที่ดูแลแม่ด้วยความยากลาบากทําไมเป็นหมอเขากําลังใช้กรรมทําไมได้มองว่าเขากําลังสร้างกรรมดีนมันตัวอย่างเดียวกันนะลําบากเพราะว่าเหนื้อเยากเพรากาลังขยันเรียนกับลําบากเนื้อเยากเพราะดูแลแม่ที่ป่ว ย, ยสองคนกําลังทําความดีนะไม่ใช่กำลังเสวยผลของกรรมไม่กรรมไม่ดีที่ทําในชาติที่แล้ว นี่ตัวอย่างง่ายๆเนีย่ยเทียบเทียบเทียบเคียงกันก็ได้นะใช้ปัญญาหน่อยแต่ว่ากลับมองให้กลายเป็นว่าการการดูแลพ่อแม่กําลังเป็นการใช้กรรมหรือกําลังกำลังรับโทษนะรับโทษของอดีตเนี่ยเมื่อว่าติดคุกเพราะว่าเคยไปลักขโมยไปปลดจี้ก็เลยต้องรับโทษนี่เราใช้กรรม อย่างนี้ใช้กรรมแน่นอนเลยแต่ว่าการดูแลแม่นี่มันมันไม่ใช่ใช้กรรมเป็นการสร้างกรรมดีผัวที่ดูแลเมียที่ป่วยเป็นมะเร็งเนะี่โอ้ยดูแลชดขีเชดเดยวเมียที่นอนติดเตียงเพื่อนบางบอกว่าผัวนี่กาลังใช้กรรมนะเคยทำกรรมไม่ดีกับเมียไว้ไอ้แบบนี้ก็มีนะ ทา้งที่ไม่หมอผัวกำลังทํากรรมดีนะกำลังสร้างกรรมดีเพราะว่าผัวเลือกได้นะว่าจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้จะหนีก็ได้จะทิ้งก็ได้แต่ผัวก็ไม่ทิ้งไอ้ใช้การไม่แปลว่ามันไม่มีทางเลือกนะเช่นชอมชั่วแล้วติดคุกเนี่ยนะติดคุกเนี่ยไม่มีทางเลือกแต่การที่ผัวดูแลแม่เนี่ยไอ้ดูแลเมียมันมันเลือกได้ว่าจะไม่ทําก็ได้จะทิ้งก็ได้แต่การที่เขาไม่ทิ้งการที่เขาเลือกดูแลเนี่ยแสดงว่า เขานั่นแหละคือกรรมแหละคือการกระทําเป็นการตัดสินใจเป็นการสร้างกรรมดีกฎแต่กรรมนี่ถ้าเข้าใจผิดนี่มันพาเขาแล้วเขาพงไปเลยนะแล้วก็กลายเป็นว่าส่งเสริมการทําชั่วส่งเสริมความการไม่มีความกตัญญูไม่มีความเมตตา ก, กรุณา นี้พูดกระทั่งว่าเนี่ยใครดูแลผู้ป่วยแล้วสุดท้ายต้องระวังนะเดี๋ยวเจ้ากรรมในเวรเขาจะมาเล่นงานเราถ้าเกิดคนนั้นไม่ตายเจ้ากรรมในเวรของคนนั้นจะมาเล่นงานหมอพยาบาลหมอพยาบาลพวกธรรมะธรรมโมจำนวนมากก็เลยไม่กล้าดูแลคนป่วยและสุดท้ายเต็มที่บางทีก็ไปขอให้คนอื่นมาดูแลแทนให้คิดแบบนี้ต่อไปนี่เห็นคนถูก เห็นเด็กสาวกำลังถูกกระทําชำเราหรือเห็นคนกำลังนอนบนถนนเพราะประสบบัติเหตุรถชนก็ไม่ไม่ายไปช่วยนะกลัวว่าเจ้ากรรมในเรงของเด็กคนนั้นหรือของคนที่ถูกรถชนนี่จะมาเล่นงานเราคือเป็นมองว่าที่ถูกกระทำชำเราหรือถูกรถชนเนี่ยเป็นเพราะกรรมในชาติที่แล้วนั่นคือเป็นเพราะกำลังเป็นเพราะเจ้ากรรมในเร่องกำลังเล่นงาน กำลังูกเจ้ากรรมในเวลเล่นงานมันจะไปช่วยเขาไม่ได้เดี๋ยวเจ้ากรรมใเวลจะเล่นงานเราแทนนี่ถ้าคนจะคิดแบบนี้มากๆนี่เมืองไทยมันมันก็เป็นนรกแล้วล่ะนะมันไม่ใช่เป็นเมืองพุทธแล้วอันนี้ต้องเข้าใจดีๆเพราะถ้าเราเข้าใจไม่ดีมันตีความไปมันคเคลื่อตีความไปจนกระทั่งกลายเป็ว่าไม่อยากทําดีเลยเป็นคนแรงน้ําใจ หรือรวมทั้งว่าไม่มีความกระตันอยูนะ่กลายเป็นความเอากระตันอยู่เลยอ้าวชาตินี้ก็พูดกันทนนี้กลับไป